ส, surgeries? สังเกตที่ใจของเราถ้าอะไรไม่ใช่ของเราเราก็ไม่มีความทุกข GS, ค์ความเดือดร้อนอะไรหรือเราไม่ได้ยึดว่าเป็นของเรามันจะแตกมันจะหัก <HHH. S 1> มันจะเป็นอะไรไปเราก็เฉยเพราะมันไม่ใช่เราแต่ถ้าหากว่าเป็นของเราขึ้นมาเข็มเล่มหนึ่งเราก็ยังเป็นทุกข์เพราะเข็มเล่มนั้นเพราะว่าเข็มเล่มนั้นเป็นของฉันเป็นของเราขึ้นมา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 ช น, นะการให้ทั้งปวง